วันนี้กี่ค่ำฮะวันนี้กี่ค่ำเจ็7ค่ำบ่เจ็ค่ำเดือน2องละล่วงไปล่วงไปล่วงไปสังขารก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไป <c oughs> ดูดิตุ๊ ที company, right? fight, more, more, you know? yeah. ่กีก็เป็นคู่กับตัวเอกไหมไปมาตัวเอกพระตูอุเลยท่านนฮะตัวเอกพระตูอุเลยตูอนลูกนั่งกับบัได้เห็นไหมมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างความไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละท่านให้เราดู เพื่อมให้มันประมาทไปคิดเฉยๆอันนั้นก็ไปแถาเดิมวันนี้ไปเถาเดิมวันก็เปลี่ยนไปไม่เคยคิดว่ามันจะมาเล่นงานตัวเองอ่ะไม่คิดว่าเรามีอะไรเป็นคุณสมบัติติดตัวมากน้อย <c oughs> ไม่ได้กระตือรือร้นกอนแล้ว น, น, นกินแล้วนอน คิดหาเรื่องสายเสดตามแล้วแต่มันกี่เหลี่ยมใจพายยอายุยยุให้รักให้ช่างให้โกรธให้เกลียดด่าทอกันอยู่ภายใต้ความลุ่มหลงความโง่เง่ า, งาภายใต้กำลังของมันและไม่ได้คิดเลยอ่าน คิดถึงทีไรเมื่อไรเลยย้อนมาที่ใจตัวเองคิดถึงทีไรเมื่อไรเลยย้อนมาที่จิตของตัวเองย้อนมาทีไรมันก็เกิดประโยชน์ยังพอจะได้รำพึงรำพันถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างทําความเลื่อมใสศรัทธาคิดไปถึงต้นตอของผู้ผู้แสวงหาเสาะแสวงหามาให้เราเนี่ยพระเจ้าท่นหามานหายากหาเย็น มาแล้วพบแล้วเจอแล้วมาบอกมาสอนพวกเราดูเหมือนเป็นของสาธารณะทั่วๆไปสนใจนิดหน่อยไม่สนใจสอนให้ขยันขี้เกียจสอนให้สอนให้ละเอียดรอบครอบมักง่าย สอนให้มีเมตตากรุณาขมองโงแฉงด่าทอกันทำตรงกันข้ามใครจะมีเมตตาเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีละไม่มีเห็นพวกเราสอนบอกสอนทุกอย่างเป้าหมายที่พระองค์สอนคือความสุขขาทุกนอทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ทุกนึกทุกคิดทุกปรุง นึกคิดปรุงดึงแต่ทุกข์แต่โทษมาทับทับทมตัวเองนึกคิดผิดสิ่งที่มีประโยชน์ในตัวเองมีอยู่ชีวิตจิตใจชีวิตมีประโยชน์จิตใจมีประโยชน์ชีวิตจิตใจไปด้วยกันหลักคำสอนก็มีหมดชีวิตกำกับด้วยศีลจิตใจกำกับด้วยสมาธิด้วยปัญญา มันก็มาจากใจเท่านั้นแหละชีวิ ต, ตจิตใจสอนไปที่พฤติกรรมที่ควรจะทำทำไม่ดีก็ทุกโทษตามมาเล่นงานทำดีความสุขความทุกข์ที่พึงหวังก็มาตามจึงสอนว่าอันนี้อันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ทุกอันนี้โทษอันนี้ควรละอันนี้ควรเว้นอันนี้ควรทำ สอนหมดทุกอย่างเราไม่สนใจสนใจน้อยเกินไปฉันให้ดูรอบข้างเห็นว่าอันนู้นก็ล่วงไปอันนี้ก็ล่วงไปอันนั้นก็เปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้เราประมาทประมาทคือมันไม่ได้อะไรมันนิ่งนอนใจเคลินไปกับวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวสนใจแต่ความงามผิวผ่องอ้วนพีไปตามเรื่องไป <c oughs> คิดว่าจะไม่แก่ไม่ตายตอนร่างกายอยู่ดีมีสุขเปลินที่ว่าเจ้ของจะไม่เป็นอะไรอยู่ไปอยู่มาโดดลอดเต้นไปโดดโลดเต้นมาโอ้ยเบาหวานเกาะแล้วมาเลงเกาะแล้วตายแล้วความดันอัดเต็มที่ตีบตันในสมองเอามาพลึกเอมามพาดมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็กหนุม่มคนเท่าคนแก่ก็เปลี่ยนดูตุ๊กแปดสิกว่าก็เปลี่ยนเห็นไหม เราเปลนขึ้นมาแล้วก็หมดสภาพแดูแลคอยวันวันไปเท่านั้นเองตอนอยู่สุขสบายเราไปใช้สอยเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลประโยชน์อย่างอื่นก็พอทำเนามีลกูกมีหลานมีอยู่พอพออยู่พอกินประโยชน์สอดสองมาที่จิตของตัวเองเนี่ยเพื่อมาชะมาล้างมากลัน่นมากรอง อารมณ์ที่มันข้นๆให้มันใสขึ้นมาด้วยวิริยะอุสาหะของเราในส่สุดมันก็จะต้องแก่อีกจะต้องตายอีกแก่ไปกำลังวังชาก็หมดไปอันนู้นเคยทำก็ทําได้ก็บทำไม่ได้เ ค, เคยทำอย่างนี้ได้กับทำไม่ได้ทำนูน้นทำนี้นิดหน่อยก็หืดก็หอบปัญหาสารพัด ต, ตามมาตาหูแค่ หลุดไปหมดอกำลังทังหนักหนักหนักสักหน่อยก็ตายภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่มีกับเราเราก็ทุกมีกับคนของเราเราก็ทุกกัพ่อกับแม่กับผัวกับเมียกับลูกมีกับใครเราก็กทุกเท่านั้นแหละมันไม่ใช่มีมาถึงไม่ใช่มันไม่ใช่มาถึงตัวเราเราถึงทุกไม่ใช่ มันมาเป็นกับคนรอบข้างตัวเราเราก็ทุกข์แล้วดูแลประกบประงมเท่าไหร่ท่านให้ดูรอบข้างให้ดูเพื่อประโยชน์อันนี้อย่าประมาทวันคืนล่วงไปเวลาล่วงไปเวลาดิบดีรีบตักตวงหมดแต่คิดว่าเราจะจะไม่แก่เราจะเป็นหนุ่มฟอ่ออยู่อย่างนี้ร่างกายสะดวกสบายคิดว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสนั้มื่ก็เปลี่ยนมา ไอ้ตอนเป็นกับตอนไม่เป็นเนี่ยมันอยู่คลิกฉากเดียวเท่ากับไม่ก็เป็นละอพลิกฉากจะอยู่สะดกสบายแป๊บเดียวเปลีนน่ยนอีแล้วความเปลี่ยนแปลงบุงทีก็เปลี่ยนแปลงไปสดๆดูสิคลอมเดียวนี่แหละซีโนี่เฮียบ่คืออะไรมัจจุราชมองไม่เห็นตัว เห็นแต่ตอนนอนแค่แล่นั่นแหละมัรจุลาชคือความตายะ่ะเราเห็นแต่ตอนนั้นสาเหตุขอ ง, องของมัรจุราชมองไม่เห็นไม่ให้ประมาทจึงเป็นธรรมะที่ครอบธรรมะหมดที่พุทธเจ้าท่านทรงเทศแสดงไว้สี่สิบห้าพระพรรษาสรุปลงในธรรมะที่ไม่ประมาททําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เป็นปัจฉิมโอวาดจิตมากใครครวนมากคิดให้ถูกนึกให้ถูกพิจารณาให้ถูกเอาไม่ใช้สอยเกิดประโยชน์ได้คิดนึกสนุกสนานเพลิดเพลินคึกขนองไปตามกิเลสแล้วแต่มันจะยั่วยุไม่พอโกรธก็โกรธไม่พอทะเลาะก็ทะเลาะไม่พอเสียหายก็เสียหาย เราต้องอยู่แบบมีปัญญารักษาตนอยู่แบบฝึกตนอยู่แบบฝึกจิตของตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนนั่นแหละอย่างที่พวกเราไปเกี่ยวข้องเราไปจัดไปทําสิ่งของอะไรที่เป็นของส่วนรวมประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตน ประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านมันไม่มีอะไรเป็นของสุทธิโดยส่วนตัวดอกบุตรเจ้าท่านไปเอาเป็นเอาตายเวลาท่านท่านได้มามันประโยชน์ท่านทั้งนั้นเลยนะที่ปรองขนไปได้นะั่นแหละแต่ตอนเอาเป็นเอาตายเอาบังคับตรงนั้นนะบังคับคนอื่นไม่ได้บังคับตัวเองเอาให้ตายทาได้เพราะได้มาคนอื่นคนอื่นพลอยได้พลอยได้ด้วย พ่อแม่บรมบงสารนบงได้หมดรวมถึงประชาชนคนในโลกทั้งหลายทั้งปวงมีความเลื่อมใสเอาไปเถอเอาไปพระพุทิเอาไปปฏิบัติเกิดประโยชน์หมดเราพิจารณาอย่างนี้ให้มากเราจะได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้ากับคำสอนคือพระธรรมกับพระสงฆ์ที่ธนุสา พยายามประคับประคองพยุง <c oughs> คำชูคำชูพระพุทธศาสนาทั้งคำทั้งชูทั้งพยุงทั้งเพื่อผู้อื่นทั้งเพื่อตัวเองถ้าเราไม่คิดให้มากความสลดใจความสั ง, สงเวชใจความปลื้มปีติยินดีใจไม่เกิดดอกอยู่เฉยๆมันเกิดไม่เกิด วิญญางที่ที่เคยเล่าฟังเราไปอินเดียนะ่ะไปเฉยๆไปซื้อๆให้มันเป็นไม่เปลี่ยนดอกต้องไปหาเหตุเหตุก็คือเหตุเหล่านี้แหละคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าเลยักเสียสละมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าของเราแค่ระยะสั้นๆเสีส่สองขายแสนมหากรรมนี่ก็โตเอาไปเราตายใส่เข้าไปขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, ขได้ขอให้ได้คุณธรรมอันนี้ขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้ ตายก็ยอมทาน บ, บารมีอุปบารมีประมัติบารมีเอาชีวิตเป็นทานกันนับไม่ถ้วนเอาวายวะเปลี่ยนทานกันนับไม่ถ้วนขอให้ได้ถ้าให้เด็ดขาดถึงขนาดนี้ไม่ได้เพอาะฉะนั้าเวลาเวลาบารมีนี้มันเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วเนี่ยใครไปหักล้างก็ไม่ได้อเต่ธาตุขันของพระองค์ มันก็อยู่ภายใต้ของพระยามัจยุรัชเพราะมันเป็นกฎเป็นธรรมชาติของมันจะผู้ที่ไม่ยุบไม่อยู่ภายใต้กฎคือผู้รู้ที่บริสุทธิ์แล้วพ้นไปแล้วปิยามานหาไม่เจอแล้วปิยามานหลงหาทิศหาทางไม่เจอแล้วเราพิจารณาคุณสมบัติพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มากจะทําให้เรามีความเลื่อมใสศรัทธาทึ่งอัศจรรย์นในคําสอนของพระองค์ ยิ่งทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของตัวเราเองด้วยแล้วเนี่ยเกิดความกระยิมยิ้มย่องสะดุง้งวาดดูตามข้างหลังมาโอ้ถ้าเราไม่ใหมาอย่างนี้เราไม่ได้อยู่อย่างนี้ไม่ได้ยืนตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่ า, าสะดุ้งเลยแหละเราไม่รู้ไปตกอยู่คุ้มไหนแหละอทําเหตุให้มันไม่ทาเหตุได้เกิดมันไม่เกิดไอพอน Yeah. <clears throat>